พอจัดเตียงที่บรรทมเสร็จนะอยู่กลางแจ้งเนี่ยพระเจ้าสุทัศนะก็บรรทมพอบรรทมก็บรรทมด้วยสีหาสายญาติด้วยพระปรัดเบื้องขวาอ่านะก็คือนอนแบบปรินิพานเนี่ยนอนแบบปรินิพานเนี่ยพระนางสุภัทอาก็คิดว่าอินทรีย์ของพระเจ้าสุทัศนะนี้บริสุทธิ์ผุดพองมีผิวพันขาวผ่องขอให้พระเจ้าสุทัศนะอย่าสวรรคตเลยตามคัมภีรเขาบอกว่าคนที่จะตายนยีผิวพันจะผ่องใส คนที่ที่ดีๆนะธรรมดาจริงๆเนี่ยจะพองใสก่อนตายพระมก็เลยบอกว่าพระ อ, องค์เนี่ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งตายเลยนะมาพูดสันวนว่าขอเดชะเหล่านี้เป็นพระนคร8ปด0 0น 80, สีพันครมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุขของพระองค์ขอเดชะขอพระองค์จงบังเกิดความพอหาพระหฤทัยในพระนครเหล่านั้นเถิดจงทรงห่วงเยาวาชนชีพเถิด นก็บอกโอ้ให้ให้ทำใจอาวณ์อย่าได้ตายเลยเนี่ยนะให้ให้อาลัยอาวอในนคร 84,000 นพนครเนี่ยนะปราสาท 84,000 หลังก็ให้จิตอาวณ์เนี่ยนะให้ให้ผูกพันอยู่นี่เละอย่าเพิ่งตายเลยอย่างนั้นนะ เรือนยอด 84,000 เรือนบัลลังก์ 84,000 บัลลังช้าง 84,000 เชือกม้า 84,000 ตัวรถ 84,000 กันแก้วมณี 84,000 สตรี 84,000 นางครุหาบดี 84,000 คนกษัตริย์ 84,000 พระองค์แม่โคนม 84,000 ตัวผ้า 84,000 โกรธพัดยาหาร 84,000 สำหรับเนี่ ขอให้พระ อ, องค์เนี่ยมีทรัพย์อยู่ขนาดนี้นะให้พระ อ, องค์อย่าอยากตายเลยอย่ายินดีในความตายให้อยู่อายุยืนยืน้อพระเจ้ามหาสุทัศน์ะก็บอกว่าสุภัฒาเธอได้ทักทายเราด้วยคําอันน่ารักน่าใคร่น่าพอใจมานานแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเธอพูดดีมากเลยนะเมื่อก่อนนี้เธอพูดดีเขาบอกว่านางแก้วนี่มีอยู่คุณสมบัติอยู่ข้อ น, นึงเขาบอกยิ้มก่อนแล้วค่อยพูดนั่นนะก็จะยิ้มก่อนแล้วก็พูดนะ เ, ออเมื่อก่อนนี้เธอพูดดีมาตลอดเลยนะ แต่เวลาในภายหลังเธอจะทักเราด้วยของที่ไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจแต่คํานี้ไม่ดีเลยนะมาพูดตอนนี้อย่างนี้ไม่ดีเลยเขาบอกว่าอ้าวแล้วพ่อองค์จะให้หม่อมฉันกล่าวว่ายังไงล่ะก็อบอกว่าเธอต้องพูดอย่างนี้สิว่าความเป็นต่างๆความพลาดๆความเป็นอย่างอื่นจากของรักหน้าพอใจทั้งหมดย่อมมีขอเดชะเนี่ยนะ คือบอกว่าเราจักลาเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งนั้นแหละคือเธอน่าจะมาพูดอย่างนี้นะให้เธอบอกว่าอขอพระองค์อย่าทรงห่วงใยในการสวรรคตเลยเพราะว่าการตายของผู้มีความห่วงใยนี่มันเป็นทุกข์ความตายของผู้ห่วงใยนี่ย่อมถูกติเตียนเพราะฉะนั้น นครแปดมืนสี่พันนครเนี่ยพงจงละความพอใจซะพงไม่ต้องอะไรนครแดหมื่นสี่พันนครหรอกพงไม่ต้องอะไรแปดหมื่นปราสาทแปดมืนสี่พันหลังแปดหมืนสี่พันองค์เนี่ยนะพองไม่ต้องอะไรอาวนประสาทเรือนเนี่ยแปดหมื่นสี่พันหลังเรือนยอดบัลลังแปดหมื่นสี่พันที่พันพงจงละความพอใจใน ช้างแปดหมื่นสี่พันเชือกตัดความอะไรเยื่อใยในม้าแปดหมื่นสี่พันตัวนะให้ตัดความเยื่อใยที่มีอยู่ให้หมดเนี่ยนะทรัพย์สินเพราะวา่าถ้าหากว่าพระองค์นี่มีจิตพวงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นห่วงใยอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพงเป็นทุกข์แน่แตัอย่างว่าเอาไว้มีสนามหญ้าเป็นอารมณ์ก่อนตาเป็นอะไรดีม า, มาชอบคำพวกนั้นบอกท่านจะให้ผมเป็นเขียดอยู่แถวนั้นหรือ ห่วงรีสอร์ทเนี่ยป็นเขียดเต้าแถวนั่นน่ะลำบากเลยนะมันมีอยู่ตัวหนึ่งร้องดังยังงี้เลยแถวรีสอร์ททุกการเนี่ยน้องดังหน้าดูเลยเสียงก็เสียร้องแปลกๆกันนะนั่นนะพวกท้าทุกการห่วงแถวนั้นเนี่ยเป็นเขียดเนเพราะฉะนั้นอย่าห่วงเลยเดี๋ยวตายเป็นทุกข์เหมือนกันก็พันจงตัดความพอใจซะเถิดเหมือนกันทั้งหมดเลยนะแม้กระทั่งแม่โคโนมเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าทําไมจึงพระเจ้าสุดทัศนะจึงบอกอย่างนั้น เพราะว่าผู้ที่อาวรณ์สิ่งนั้นแล้วตายเนี่ยจะไปที่ไหนเอ่ะถ้าตายนะมันจะไปที่ไหนส ม, มมติถ้าเราเป็นห่วงเป็นยายบ้านเหลือเกนินแล้วเราไปเกิดที่บ้านเราเนี่ยเราจะไปอยู่ฐานะอะไรเอ่ะถ้ากลับมาใหม่เนะจะมาอยู่ฐานะอะไรจันจติสม ม, มติถ้าบ้านหลังที่อยู่ทุกวันเนี่ยนะถ้าเกิด own, อาวอ์ก่อนตายนะจริงจริงอจาสันติไม่ห่วงนะแต่ะคนเล่าให้ฟังว่าถ้าอาวอ์เนี่ยจะไปอยู่ฐานะอะไรตรงนั้นเอ่ะไม่แน่นะเป็นลูกเทวดาเป็นผีเป้าเรือน <c oughs> เป็นผีเรือ น, นยังไงนะถ้าอากุศลก็เป็นอะไรเฝ้าเรือนก็าตามสมควรแก่เหตุกันแล้วกันอ่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าอาวุในสิ่ง น, น, นั้นแล้วตายล่ะจะไปไหนขอก็เฝ้าอยู่แถวนั้นนั่นแหละทีนี้พระนางสุภัททานเนี่ยพอได้ฟังอย่างนั้นเนี่ยฟังทั้งน้ำตาก็ก็บอกทั้งน้ำตานะบอกทั้งน้ำตาเลยอะ่ะก็พูดอย่างที่พระเจ้าสุทัศนะให้พูดนะก็พูดท้งน้าตาว่า ขอเดชะความเป็นต่างๆความพลาดๆความเป็นอย่างอื่นจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจย่อมมีขอเดชะขอทูลกระหม่อมจงอย่ามีความอาลัยสวรรคตเลยการละกิริยาคือความตายของผู้มีอาลัยนี่เป็นทุกข์การละกิริยาคือความตายของผู้มีอาลัยเนี่ยบันดึดติเตียนเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยตัดใจในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเถอะเนี่ยนก็โอ้มีมีผู้มา เยี่ยมไข่ก่อนตายพูดอย่างนี้ก็แจวเลยนะจงตัดความพอใจเสียเธอเนี่ยนะแต่เนี่ยของมาถ้าไปงานผู้การก็ต้องพูดอย่างนี้มั้งนาะไม่รู้ใครแต่ก่อนใครกันแน่นะเพราะงพะงษเนี่ยจงอย่าได้อาลัยอาวุนในสิ่งเหล่านั้นเลยตอนหลังพระเจ้าสุทสัศนะก็สวรรคตโดยการไม่นานจากนั้นไม่นานท่านก็สวรรคตก็พระเจ้าสุทสัศนะนี่ก็ป่วยตายแล้วก็ไปเกิดในพรมโลก บอกว่าท่านเนี่ยเป็นกุมารเป็นเด็กหน่มเนี่ยนะเป็นเด็กน่ ม, นนะนกนมอยแปดหมื่นสี่พันปีแล้วก็รับตําแหน่งอุปาราชเนี่ยนะคือเป็นรองจากพ่อเนี่ยแปดหมื่นสี่พันปีเสวราจะสมบัติอยู่ 8, 000, ปแปดหมืนสี่พันปีประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมประสาทอยู่แปดหมื่นสี่พันปีแปดหมื่นสี่พันคูณคูณสี่ครั้งเนี่ยนะคูณเท่าไรก็ดูเอากันแล้วกันก็อายุหลายแสนปีเลยนะสมัยนั้น พระามพระเจ้าสุดทัศนะก็เจริญพรมวิหารสี่ก็สวรรคคตก็เข้าถึงพรหมโลกสรุปว่าสมัยนั้นเนี่ยพระเจ้สาสาุดทัศนะก็คือใครคือคือพระพระโทธิสัตว์เนี่ยนะท่านก็มากล่าวสรุปที่น่าฟังว่าพระนครแปดหมื่นสี่พันนครก็อยู่ น, นครเดียวปร า, าสาทแปดหมื 8, 000, ่นสี่พันองค์ก็อยู่รก็อยู่หลังเดียวเนไเรือนยอดแปดหมื่นสี่พันเรือนก็นอนอยู่หลังเดียว บาลังแปดหมืนสี่พันที่ก็นั่งอยู่ที่เดียวถ้ามีเก้าอี้เยอะๆนั่งไปนั่งกี่ตัวก็ <c oughs> น, นั่งสามตัวพร้อมกันอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะก็นั่งในทีละตัวแค่นั้นแหละนะมาช้างแปดหมืนสี่พันเชือกก็ใช้เชือกเดียวมาแปดหมืนสี่พันตัวก็นั่งอยู่ตัวเดียวรถแปดหมืนสี่พันคัน ก็ขับอยู่คันเดียวยงั้นเหรใช้อยู่คันเดียวแก่แปดหมืพันดวงก็ใช้อยู่แก้วเดียวมเหสีหรือหญิงบำเรอแปดหมพคนก็มีเมียอยู่คนเดียวนั่นแหละขุ <c oughs> หาบาดีก็ใช้งานเป็นหลักไปใช้อยู่คนเดียวกษัตร 8, 000, ิย์แปดห0ืพัน 4, 000, องค์ที่ใกล้ชิดก็ก็อยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นบรรดาสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเนี่ยนะที่ที่ใช้สอยเนี่ยแม้กระทั่งผ้านะผ้าแปดห0ื่นสีพันกอผเนี่ยแต่งใครแต่งทีละ5ชุดมั่ง นี่ใช้ทีละชุดอ่ะนะถึงเราจะมีกันโคนละสามสี่ตู้ก็ใช้ตัวเดียวชุดเดียวเนี่ย น, นะก็มีอยู่เท่านี้จริงๆไม่นะาจสนติขนออกให้ทานเกือบหมดนะเนะพือออพ่อเพื่ไม่ได้กลับใช่หให้ทานหมดเกือบหมดตู้แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นก็บรรดาผ้าก็ใช้ทีละคู่เหงั้นกันบรรดาอาหารก็แปดหมืนสี่พันสำรับนะ <c oughs> จะทานเท่าไหร่ดิ <c oughs> ก็สำรับเดียว อนนท์ an, เธอจงรู้สิสังขารเหล่านั้นนี่ร่วงไปดับไปแปรไปหมดแล้วอนนท์ ınız, สังขารไม่เที่ยงอยา่างนี้ตอนนี้ถ้าเรามาเห็นด้วยนะตอนนี้แบอบกเหลือไหมโดยที่สุดองค์สมเด็จพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่เหลือเลยสังขารทั้งหลายเป็นอย่างนี้แล่ดับไปแล้วร่วงไปแล้วแปรปลุนไปแล้วสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยงอย่างนี้อนนท์ ınız, สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้อนนท์สังขารทั้งหลายไม่น่า ย, ยินดีอย่างนี้ ถึงขนาดนั้นเนี่ยนะตอนนี้ถ้าพูดไปแล้วก็เหมือนฝันใช่ไหมเหมือนฝันว่าเคยมีปรากฏการณ์เหล่านั้นเหล่านั้นอานน์ข้อนี้ควรจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเที่ยวควรจะคลายกําหนัดควรจะหลุดพ้นแต่พูดบอกว่าพอแล้วเพียงพอแล้วนะที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งชทุกชนิดเนี่ยนะเพียงพอแล้วที่จะคลายกําหนัดคือพอแล้วที่จะตัดชั้นธราคาใน สัพพาสังขารทั้งหมดเพียงพอแล้วที่จะหลุดพ้นจากสังขารทั้งหมดอา น, นุนก็เรารู้ที่ทอดทิ้งร่างกายเราทิ้งร่างกายในประเทศที่นี้เนี่ยในการที่เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงทรมเป็นพระราชาโดยธรรมเนี่ยเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรสี่เป็นขอบเขตเป็นผู้พิชิตชนบทมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการทิ้งร่างกายนี้เป็นที่เจทองเป็นจักรพรรดิแล้ว ตายตรงที่เป็นชาติที่เป็นจกักรพรรดินะเชาติด้วยกันอ น, นุนเราไม่เล็งเห็นประเทศนั้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพรหมโลกในโมสัตว์พราหมณ์สมณะพราหม์เทวดาและมนุษย์ที่แต่ถาคตจะทิ้งร่างกายเป็นครั้งที่8ดไม่มีคือเป็นจกักรพรรดิตรงนั้นมา6ชาติแลยนะชาติที่7ก็เป็นพระพุทธเจ้าที่มาดับขันตรีนิพพานตรงนี้พระพุทองค์บอกว่าทิ้งร่างกายตรงนี้ไม่มีไม่เกินเจชาติชาติที่เจนี่ถือว่าเป็นชาติสุดท้ายพระพระองค์นี้เลิก เลิกอะไรเลิกเลิกตายแล้วงั้นเหรอเลิกตายแล้วเพราะอะไรเพราะเลิกเกิดอ่ะถ้าไม่เกิดจะตายได้ยังไงใช่ไหมถ้าเลิกเกิดก็เท่ากับเลิกตายพระองค์ก็เลยตรัสเป็นคาถาประพัน์ว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปภ ะ, ะวยธธรรมมิโนอุปชิตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุขโขวิจิตพิสดานอลังการขนาดไหนก็ตามสังขารทั้งหลายก็ ไม่เที่ยงเนี่ยนะสังขารทั้งหลายก็ไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายก็แปรปร่งไปเป็นธรรมดาควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายควรแล้วที่จะคลายกำหนัดควรแล้วที่จะหลุดพ้นนะคุณห้าจะเพียงพอกันแล้วเนี่ยนะต่อถ้าพูดอย่างนี้หลายท่านก็บอกรู้สึกว่าพอแล้วเหมือนกันอ่ะนะแต่ถ้าไปไหนอถ้าพอแล้วจะทําไงต่อไปคะนี่สรุปว่าถ้าพอแล้วทําไงดีใช่หมเออศึกษาไปอ่อใช พอบอกว่าพอแล้วก็ตามเห็นสิ่งนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นของเที่ยงนะถ้าพอจริงๆก็คือตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงใช่ไหมตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นของหน้าเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นเป็นอัตตาเห็นโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่หน้าเพลิดเพลินตามเห็นโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่กำหนัดตามเห็นโดยความดับไม่ใช่มุ่งจะสร้างตามเห็นโดยความสละคืนไม่ใช่ต้องการจะยึดถือเนี่ยนะ อันท่านนี้ก็จะเป็นไปเพื่อทําที่สุดแห่งทุกได้แต่ถ้ายึดถือสังขารทั้งหลายจะต้องทุกข์อีกเท่าไหรเนอะนะมหาพูดมันกัดมหาพูดเองงนะั้นวันันนี้ก็ได้พูดไปครั้งหนึ่งแล้วนะว่ามหาพูดว่าจะนํามาทํากัดกันก็ไม่ได้พูดเพราะหมดเวลาตอนปัจจานี้เหตุผลแรกที่พระองค์มาปรินิพานที่เมืองกุสินาราเพื่อจะประกาศเล่าถึงกุสาวดีราชธานิการแสดงแบบนี้เนี่ยคือการประกาศอนุ ป, ปุพพิถาใช่ไหม อนุปุพพิถาคือการประกาศถึงผลของบุญที่ได้เสวยขึ้นแต่บุญเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงแล้วก็ประกาศอริยสัจอันนี้จาวัตสังขารา น, นั่นแหละคือการประกาศอริยสัจในที่สุดก็ไม่ได้กล่าวว่าผู้มีผู้บรรลุมรรคผลเท่าไหร่ทีนี้เหตุผลที่สองที่มาปรินิพานที่เมืองกุสินาราเหตุผลที่สองคืออะไรเพื่อจะโปรดสุภะะสุภะะตริภาชกนะ ตอนที่จะปรารบสุภะทักปริภาชกนี่ก็พระองค์ก็ได้ปรารบถึงถึงอะไรพระองค์ได้ปรารบถึงเทวดาทั้งหลายเนี่ยมีการบูชาพระองค์ใช่ไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยดอกสาระทั้งคู่ก็เพลัดดอกบานสะพรั่งดอกมณฑารกก็เผลัดดอกบานสะพรั่งแม้จุนแห่งจานอันเป็นของทิพย์ก็ตกลงมาดนตรีอันเป็นทิพย์ก็ประคบนในอากาศสังคีตะก็อันเป็นทิพย์ก็บรรเลงในอากาศเนี่ยะนั้น พร อ, องค์ก็ตรับว่าดูก่อนอ น, อนแตถาคตชื่อว่าอันบริษัทจะสักการะเคารพนับถือบูชาน้อมน้อมด้วยเครื่องสักการะมีประมาณเท่านี้ก็หาไม่ได้นะขั น, นการเคารพสักการะไม่ใช่ตัวด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมปฏิปภมไฟอย่างที่มึ่งจะจะทำวัตถุนั้นจนเกินไปบางทีเนี่ยนะก็มีผู้ที่ มุ่งจะเจริญกุศลประเภทนั้นเกินไปเกินไปจนกว่าไม่ไม่คยศึกษาพระธรรมมุ่งที่จะทำพุทธบูชาโดยส่วนเดียวอันะโดยที่มุ่งที่จะจัดแจงมหาพูดทำเป็นพุทธบูชาไม่ยอมแต่งมหากุศลเป็นคำพุทธบูชาไม่ยอมเอาอัธิศีลเป็นพุทธบูชาไม่ยอมเอาอัธิจิตอธิปัญญาเป็นพุทธบูชามุ่งจะเอาแต่มหาพูดบูชา น, นี่นีนีพูดแบบวิพัชวาทีนะ ไอ้ไม่บูชากับบูชาไหนดีกว่ากันก็ต้องบูชาดีกว่าถ้าบูชาด้วยอามิตดกับด้วยการปฏิบัติไหนดีกว่ากันการปฏิบัตินั้นที่พูดเมื่อกี้หมายถึงว่าถ้าเทียบปฏิบัติกับอามิตดนะปฏิบัติดีกว่าแต่คณะของเรานี้เป็นก็บอกเขาเป็นคณะทัวอินเดียที่อุโบสถมากที่สุดเลยมั้ในประชากรเท่านี้นะเวน้นเว้นบางคณะนะประชากรแบบธรรมดาแต่งตัวแบบดูข้างนอกไม่รู้เนี่ยอุโบสถมากเลยมนะั้ จะของโรงแรมเนี่ยอาหารเย็นไม่ค่อ ย, ย, ยขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขายไม่ค่อยออกเลยนะทัวร์ไม่กินข้าวเย็นเนี่ยนะทำใจยากเหมือนนั้นอันโภจึงแนะนําว่าดูก่อนอนอนต์ตถาคตจะชื่อว่าอันบริษัทสการะเคารพนับถือบูชานอบน้อมด้วยเครื่องสการะประมาณเท่านี้หาไม่ได้ผู้ใดแล้วจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาก็ตามเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมอยู่ ผู้นั้นชื่อว่าสการะเคารพนับถือบูชาด้วยการบูชาอย่างยิ่งเพราะเหตุนั่นแหละ อ, อนุนพวกเธอพึงทำศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤตามธรรมอยู่ก็คือตั้งใจให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละเป็นพุทธบูชาเนี่ยนะให้เป็นพุทธบูชาจึงจักสาเร็จประโยชน์แต่ก็จริงอย่างนั้น เพราะถ้าหากว่ามุ่งแต่อามิสบูชาอย่างเดียวนะเรื่องมากเรื่องมากจริงๆโดยที่สุดในอย่างว่าเราล้อมผ้าวันนี้แขกก็มาเรียกอะไรนะฉันเป็นคนดูแลที่นี่นะเพราะฉะนั้นก็เขจะบอกว่าคุณต้องจ่ายค่าดูแลฉันนะคือคือเนี่ยมันอามิสบูชามันเป็นอย่างนี้เขาประกอบอาชีพเลยใช่แถวนั้นนั้นเพราะแล้วอามิสบูชาเนี่ยผลประโยชน์มั น, ม, นมันที่ใดวัตถุ ก, การมอยู่ที่ใดาการมทั้งหลายเหมือนชินนนช้นเนื้อถ้าโยนชิ้นเนื้อไปในหมูสุนัขอะไรจะเกิดขึ้น กัดกันสิชั้นใดวัตถุกรรมอยู่ที่ใดโดยที่สุดแม้แต่ในหมู่พระภิกษุก็ยังทะเลาะกันนะโดยที่สุดแม้แต่ในหมู่พระภิกษุยังทะเลาะกันแย่ยงวัตถุกรรมเช่นแย่งเจ้าวาดเนี่ยนะแย่งกันไปทําอะไรเอ้ยมาขอจะยกให้แต่เขาก็ไม่ให้เราเป็นนะเราไม่มีโอกาสมีวันนั้นมีแล้วหมายจะยกให้เป็นเลยนะหรือเอาไปเลยเอาไปเลยขอขอบคุณมากครับที่มารับมหาภาระตายเนี่ยนะนะ คือมหาภาระจริงๆเลยเนมันมันต้องดูแลมากๆเลยขันที่ดีจริงๆแล้วก็คือการปฏิบัติธ ร, รมบูชานั่นแหละเป็นยันที่ใช้บริการน้อยถ้าเทียบในบรรดากุศลทั้งหลายเนี่ยกุศลประเภททานเนี่ยบริการเยอะจริงๆแล้วก็บุญถ้าเทียบกับบุญอ ย, อย่างอื่นก็น้อยกว่าเพื่อนเลยนะ mm hmm. ถ้าเทียบกับศีลเนี่ยนะถ้าทานนิพนธบุญไม่มากนะถ้าเทียบกับศีลศีลถ้าเทียบกับสมถาวิปัสสนาเนี่ย mm hmm. อุ้ยก็ยังห่างกันเนยอะ mm hmm. สมถาวิปัสสนาดีกว่า เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ที่มุ่งเจริญกุศลในระดับสูงเนี่ยอย่าลืมว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ให้เห็นภัยของมหาพูทก็อยู่ที่ว่าอัธยาศัยถ้าถือว่ามี ม, ม, ม, มีมหาพูดมากชื่อว่าประสบความสําเร็จมากก็ก็จะคิดว่าปฏิบัติบูชามันก็ทําให้ไม่รวยสิยนะก็บางคนถ้ามุ่งความรวยเป็นหลักก็ต้องเอาอะไรเอามหาพูดใช่ไหมเป็นเครื่องบูชาจะได้บริบูรณ์ด้วย มหาพูดจะได้มีมหาภาระเยอะๆอย่างเงี้ยนีก็ต้องดูแลมหาภาระเนี่ยนะก็พูดอย่างนี้ไม่ใช่ก็ท่านไม่มีนี่ท่านก็พูดได้ไงก็ได้ uh huh. ทีนี้พูดถึงก่ อ, อนที่พระองค์จับปริณิพานเนี่ยสุภัทภาพปริณพาชกก็เข้าไปเฝ้าคือจะเข้าไปเฝ้าเนี่ยนะพระนนก็ห้ามว่าตอนนั้นพระองค์จับปริณิพานอยู่แล้วใช่ไหมก็ก็ขอร้องบอกอย่ารบกวนเลยก็ห้ามอยู่ถึงสามครั้ง คือที่สุภธปริพาชคเนี่ยเขาคิดว่าเราได้ฟังคำนั้นของพวกปริพาชคผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเป็นอาจารย์และปาอาจารกล่าวอยู่ว่าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมอุบัติขึ้นในโลกเป็นบางครั้งบางคราวพระส ม, มณโคโดมนี้จักปรินิพานในปัจฉิ ม, มยามแห่งราตรีนี้เนะเช้านี่พระพุทธเจ้าก็ปรินิพานแล้วเพราะฉะนั้นความสงสัยก็บังเกิดขึ้นกัเราก็มีอยู่ เราเลื่อมใสในพระสมนาโคโดมอย่างนี้ว่าพระสมนาโคโดมย่อมสามารถเพื่อแสดงธรรมแก่เราที่เราจะพึงฟังธรรมอันเป็นละธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยได้ถ้าถามนะเราก็หายสงสัยเลยก็เลยจะเข้าไปถาม ทานนก็ห้ามอยู่สาครั้งพระพุทธเจ้าก็ได้ยินบอกว่าอ น, อนุนอย่าเลยอย่าห้ามสุภัทระเลยสุภัทระจงเข้ามาเฝ้าตถาคตเถิดสุภัทระจักถามปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกับเรามุ่งความรู้ไม่ใช่มุ่งเบียดเบียนเนี่ยนะต้องการถามเพื่อเอาไปปฏิบัติถามไปเพื่อบรรลุมรคผลไม่ได้ถามเพื่อเบียดเบียนสุภัทระถามแล้วเราจะพยากร์แก่สุภัทระนั้นได้เราจะรู้ความและสุภัทระนั้นก็มีปัญญาเข้าใจทันที เนี่ยขาก็มีปัญญาเพิ่มปล่อยให้เขาเข้ามาเถอะอ่าแล้วก็พระอานนท์ก็พระนอานนท์ก็อนุญาตนเนี่ยนะว่าพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้แกท่านแล้วเขาก็เลยเข้าไปทำจริงๆถ้าในคาถาธรรมบทนี้มีการอธิบายเพิ่มเติมอีกหน่อยว่าอธิสุภัท t เข้าไปถามว่ารอยเท้าในอากาศนี่มีอยู่หรือเปล่านเนี่ยนะคำถามหนึ่งนะสองสมณะภายนอกจากาศาสนานี้มีอยู่หรือไม่ 3ามสังขารทั้งหลายที่ชื่อว่าเที่ยงนี่มีหรือไม่ทนายมหาปริณิพานี่ตอบอยู่คำตอบเดียวคือสมณนาภายนอกศาสนานี้หรือไม่อันะเอามาดูคำถามที่มีพิเศษในธรรมบทก่อนว่ารอยเท้าในอากาศนี่มีอยู่หรือไม่ใครประทับรอยเท้าในอากาศไปได้บ้างไม่มีสรุปว่าไม่มีสังขารทั้งหลายที่เที่ยงก็ไม่มีเห็นไหมส่วนคาถามสุดท้ายก็คือ ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญสมณพราหมณ์เหล่าใดเป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้าคณะเป็นคณะาจารย์มีชื่อเสียงมียศเป็นเจ้าละทิชชนเป็นอันมากสมมุติกันว่าเป็นคนดีคือปุรณกัสตามัคคลิโคสาละอชิตะเกสะกัมพลตะกุท่ากัจยานะสันชยัยเวรัาบุตรนิคร น, นาตบุตรสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดตรัสรู้แล้วตามปฏิยาของตนหรือหรือว่าไม่ได้ตรัสรู้หรือว่าบางพวกตรัสรู้ พอมาแบ่งไงนะเพาทุกคนปฏิญาณว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้ากันหมดพระพู้ชเจ้าทั้งหมดสมัยนั้นมีอยู่เจ็ดองเกยอยู่6นะ่ะแท้อยู่องค์เดียวนะปุรณะกับสบากเขาก็ปฏิญาณว่าเขาเป็นพระพุทธเจ้านะ มัคคริโคสาระก็ปฏิญาณว่าเป็นพระพุทธเจ้าอาชิตาเกสะกรรมพลก็เป็นพระพุทธเจ้ามันน่าสงสัยไปหมดเหมือนกับสมัยนี้ใช่ไหมอุ้ยมันมีตั้งหลายสายนี่ตกลงมันถูกทุกสายหรือว่าบางสายผิดบางสายถูกหรือว่าผิดทั้งหมดทุกสายหรือว่าถูกทุกสายอย่างเงนะตกลงอะไรยังไงกันแน่มันก็น่าสงสัยเหมือนกันนะคนที่ศึกษาธรรมะใหม่ๆนะแต่ก็ลักษณะ น, นี้อย่างนิการมีทั้งสิบแปดนิกายอย่างไงนะี้นะเฮ้ยพุศาสนาเมืองไทยเมืองจีนเมืองลาวเมืองพมา่าเมืองขเขมรเมือง ต่างประเทศเนี่ยตกลงที่ไหนมันใช่กันแน่เพราะทุกอย่างทุกแต่ละแห่งก็ไม่เห็นทําเหมือนกันเลยเนี่ยนะสอนก็สอนไม่เหมือนกันไอ้ที่ไหนมันถูกที่ไหนมันผิดผิดทั้งหมดหรือว่าถูกทั้งหมดหรือว่าบางแห่งถูกบางแห่งผิดตกลงเอาไงดีอะสมัยนั้นเนี่ยถ้าของพระพุทธเจ้าองก็บอกว่าอย่าเลยสุภาธาอาวัยคอนอ่านะเราจะ เ, าเราจะแสดงธรรมให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นจงฟังจงใส่ใจให้ดีจะบอกเนื้อหาสาระเล่าให้ฟังเลยเป็นเอาบอกวิธีพิจารณาเลยว่า หลักการก็เป็นยังไงถ้าบอกว่ามัสมีองแปดมีมีไม่ได้ในธรรมวินัยใดคือรัฐที่ใดไม่มีมัจแ8ดศาสนาไหนไม่มีมัจแ8ดศาสนานั้นไม่มีพระอริยบุคคลไม่มีพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีและพระอรหันต์ไม่ต้องไปถามหถ้าไม่มีมัสมีองแปด สุพัทธะอริยมตรตมีองค์แปดหาได้ในธรรมวินัยใดสัมมาทีฏหนึ่งสองสามสี่ก็หาได้ในธรรมวินัยนั้นถ้ามีมตรตแปดที่นั่นก็มีพระอริยะถ้าไม่มีมตรตแปดก็ไม่มีพระอริยะเนี่ยนะมันมตรตแปดเนี่ยนะหนึ่งสัมมาทิฏฐิ 2. สองสัมมาสังกัปปะ 3. สามสัมมาวาจาสี่สัมมากรมมปะห้าสัมมาชีวะหกสัมมาวายามะเจ็ด สัมมาสติแปดสัมมาสมาธิเนี่ยนียถามว่าในมรรคแปดนี่อะไรสําคัญที่สุดสมาธิรู้อะไรรู้อริยสัจถ้าที่ใดไม่พูดอริยสัจเลยเนี่ยจะมีพระริยะอยู่ได้ไหมเพราะหน้าแปลกใจอยู่เหมือนกันเนี่ยเนี่แต่แต่ของมาเนีเนี่ยอย่างยุคนี้เขาแปลกใจนะทุกสำนักเนี่ยหัวหน้าข้าเป็นท่าอริยะหมดเลยรุ่นสิทธเสกนะ ถูกเสกกันเป็นอริยคันหมดเลยนะและอาจารย์ทั้งหลายก็เดินมากว่รับสมา่างด้วยนะว่าใช่ใช่ช่นั่นนะเดีวก็รับโดยอะไรนะดุสเดียภาพเนี่ยนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่เห็นพูดถึงมรดอะไรเลยใช่ไหมถ้าไม่พูดถึงมรดโดยเฉพาะสัมมาทิฏฐิก็สัมมาทิฏฐิไปแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงอริยสัจอะไรแล้วก็อริยสัจทิ้งกล่าวก็ไม่ได้กล่าวถึงกิจของอริยสัจอะไรลัที่ที่พูดถึงอริยสัจก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหม และผู้ที่พูดถึงแล้วเอาอริยสัจมาทำกิจก็น้อยผู้ที่ทำกิจจริงๆแล้วเอาเรื่องการปฏิบัติกิจอริยสัจเป็นหลักก็ไม่มากสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในรัฐที่ใดศา ส, สนาใดกลุ่มใดก็ตามถ้าไม่มีมรรคมีองค์แปดที่นั่นไม่มีพระอริยะถ้าที่ใดมีอรรยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดที่นั่นก็มีพระอริยะเนี่ยนะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าสุภทะ อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์แดหาได้ในธรรมวินัยนี้สมณะที่หนึ่งสองสามสี่ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้ลับที่อื่นว่างจากสมณะผู้รู้อันนี้ให้เครื่องมินิชัชก่อนนะแต่พระองค์ก็บอกสรุปว่าทุกๆลับที่เนี่ยนะไม่มีอริยมรรคมีองค์แดเลยนะเพราะฉะนั้น ส, สุพัทธาก็ภิกษุเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบถ้าอยู่โดยมรรคดเนี่ยนะโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ นะถ้าเจริญมัดแต่ได้โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์แน่เพราะมัดแต่ประชุมการ น, นี่อะไรเกิดขึ้นโสดาปฏิมักเกิดสกาทาคามีมักเกิดอนาคามิมักเกิดและอรหัตตมักเกิดถ้าอรหัตตมักเกิดโลกจะว่างจากพระอรหันต์ไหมไม่ว่างเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ด้วยมัดแต่จริงๆเนี่ยโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์แล้วผมก็กล่าวเป็นคาถาว่าดูก่อนสุพัทธะเรานี่มีวัยยี่สิบเก้าปีบวชแล้วคือบวชตั้งแต่อายุสาวก้าเนี่ยนะสาวก้าวคำเมือง ตัดเมืองตัดมาอู้อินเดียยังไงนะมันมาถูกกันเลยนะคือยี่สิบเปีนะในยี่สิบเก้าปีตอนออกบวชเนี่ยก็แสวงหาว่าอะไรคือกุศลกุศลคืออะไรตกลงองค์ธรมธรมองค์ธรรมหมายถึงอะไรหมายถึงอริยมรรคหมายถึงโสดาปัตติมรรคสกาทาคามีมรรคอนาคามีมรรคและอรหัตตมรรคนะนะอรหัตตมรรคนี่แสวงหาอรหัตตมรรคอยู่ว่างั้นเด็กแสวงหาว่าอะไรกุศลคือแสวงหาอริยมรรคอริยมรรคอะนะ ตั้งแต่เราบวชแล้วบัดนี้นับได้ห้าสบเอ็ดปีก็บวชตอนอายุยีเก้าจนถึงอายุแปดิเนี่ยนะก็บวชห้าิบอดปีแม้สมณะที่เป็นไปในประเทศเครื่องนําออกไม่มีในภายนอกจากธรรมวินัยนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าคําว่าภายในประเทศแห่งธรรเครื่องนําออกคําว่าประเทศเครื่องนําออกเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของวิปัสสนาในอัะนนะคือธรรมะเนี่ยแปลว่า เรื่องเดียวกันเนี่ยต้องดูที่อื่นมาแล้วจึงจะอธิบายได้คําอธิบายมหาปรินิพานสูตรสับตรงนี้มีอธิบายอยู่ในมัชฌิมานิกายโน้นเห็นไหมคำว่าประเทศเป็นเครื่องนําอองนี้เป็นชื่อของวิปัสสนามีอยู่ในอัตถกถาจุลสีหน่าสูตรจุลสีหน่าสูตรเนี่ยกล่าวถึงสมมนาสิบสองประเภทสมณนาสิบสองเพศประเภทสิบสองประเภทคืออะไรกลุ่มที่หนึ่ง คือผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งปลารกวิปัสนาเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งนะหนึ่งสองปลารกวิปัสนาเพื่อทําสกท า, าคามีสกท า, าคามีผลให้แจ้ง3ปลารกวิปัสนาเพื่อธรรมนาคามีผลให้แจ้ง4 ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้วิปัสนาเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งเนะี่ยอันนี้หมายถึงวิปัสนานะวิปัสนาของปุตชฌ์นวิปัสนาของพระโสดาบันวิปัสนาของพระสกท า, าคามีวิปัสนาของพระอนาคามีเพราะฉะนั้นเนี่ยสคนนี้เขาเรียกว่าสมณะสี่สมมณะอีกชุดหนึ่งก็คือผู้ตั้งอยู่ในมรรคสีสมณะชุดสุดท้ายคือผู้ตั้งอยู่ในผลสีก็เลยมีสมณะทั้งหมดอยู่สิสอง เขาบอกว่านอกศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่วิปัสสนายังไม่มีเลยก็ก็น่าคิดนะว่าอย่างผู้ที่ศึกษาธรรมมาเยอะๆเนี่ยนะอย่างเราเราเทั้งหลายเนี่ยหลายหท่านก็ฟังธรรมมาตั้งแต่ยังสาวน้อยเลยนั่นนะยม农ก็เข้าวัดมานมนานเต็มทีแล้วนั่นนะเข้ามานานจาระเนตเข้ามานานไหยก็ไม่ใช่น้อยเลยนะจันเกตไม่นานเท่าไหร่ป้าสุรีอ๋อป้าสุรีเนี่ยนานเต็มทีแล้ว ใช่ไคนคนวัดคนวาเลยแหละผู้การก็เท่าตั้งแต่เป็นละ อ, อ่อนด้วนะเข้ามานานเลยจริงนะผู้การไปเล่นอยู่ใต้ทุนวัดตั้งนานพ อ, อกวาไปกับแ ม, นะกแม่ไปรักษาศีนแมไปรักษาศีนผู้การก็ไปเล่นใต้ถุนวัดเป็นไงนะเข้ามานานเต็มทีแล้วถามว่าโดยหลักการเนี่ยกลุ่มไหนบ้างที่สอนอนุปัสนา7็เนี่ยนะ อ น, นิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาหรือทุกธรรมปริญญาสมเป็นต้นเนี่ยแท้ไม่เคยได้ยินเลยแนะถ้าไม่อ่นน า, านในพระไตรปิฎกแท้ไม่มีสิทธิ์เลยแล้วที่จะไม่มีเจอเลยนะคําเหล่านี้ที่มาเป็นข้อปฏิบัติเป็นเรื่องเป็นราวแท้ไม่มีเลยคือคือไปไปดูของเก่เาๆปรากฏว่าอคววําออคนี้เราไม่เคยได้ยินเลยนะอริยสัจสีนี่จิตของอริยสัจสีนี่ทุกควรกําหนดรู้นี่เออฟังดูมัน ฟังหน้าฟังอ่ะแต่ก็ไม่ค่อยรู้กาหนดยังไงครับก็แอ บ, บจดเอาไว้ครับเคยจดเอาไว้ในสมัยนานแล้วสักสักเจดแปดหเจ็ดปีถ้าจะได้นะครับไปเปิดเปิดดูส ม, มุยเก่าๆนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจครับคำว่าคากาหนดนี่ไม่เข้าใจเลยฮะก็ไป ก็ไปเข้าใจว่าไอ้าำนวณคือไปไปเพ่งเพ่งอะไรทั้งอย่างอะไรทำนองนั้นก็เพิ่ <_ d ata> งมาดูเออความจริงเราก็สนใจสจิ่งเหล่านี้มานกั น, นแต่ไม่มีใครอธิบายครับก็ไปเจอในคำพีในเจอในพระไตรปิฎกท่านอธิบายในในในอั ต, ตกถาอธิบายอริยสัจสีนะ <_ d ata> คือท่านอธิบายอุปาทานขันท่าเนี่ยเหมือนกับลำไม้ไผ่ลำหนึ่งเนี่ยท่านอั้นนะ อุปาทานอากาศเปียเหมือนไม้ไผ่ลำหนึ่งแล้วมาตัดออกมาเป็น5้าท่อนนะเอามาเป็นห้าท่อนแล้วก็ท่อนที่หนึ่งเนี่ยเอามาจักเป็นซี่ๆได้ยี่สดซี่นะแล้วก็ เ, เวทนานะท่านก็เอามาเอามาจั อ, าาจ อ, าาจอีกนะครับสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเอามาจักเป็นซี่ๆตามตามจำนวนของเช่นเจตสิกก็นันน่ะ5้าสิบซี่เนี่ยนะฮะ หรือว่าจิตก็แปดสิบเก้าเนี่ยนะครับโอ้ฟังดูแล้วโอ้มั น, มนชอบใจอ่ะแล้วก็จดเอาไวน้นั่นแหละก็ไม่ค่อยมีใครมาที่บายต่อครับจนมันกระทั่งมาเมื่อเร็วๆเนี่ยครับเนี่ยมาเข้าวัดใหม่เนี่ยนั่นแหล ะ, น ะ, นะตอนโลกมีวัดวิวาแล้วนะจิงได้นะก็อย่างนี้จริงๆนะว่าคือผู้ที่ปราลรวรุปถสนาเพื่อทำโสดาปฏิบัให้แจ้งก็ไม่มากนักนะ คืออย่างโสดาปฏิผลโดยทั่วๆไปเขาก็สอนแต่ว่าเป็นความดับอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนีถืออาการผู้ผพรว่ า, ว า, วาเป็นมรรคผลก็มีถืออาการที่หลับไปเป็นมรรคผลก็มีอย่างในยุคนี้เป็นยุคที่เรียกว่ามีอยางนั้นจริงๆนะเขาไปศึกษาเนี่ยนะถ้าเข้าถ้าใครที่ปเข้านอกออกวัดมามากๆนี่จะรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยนะ ก็แต่ทั้งที่ก็ผ่านมาไม่ใช่น้อยเนี่ยนะก็ดูหถามถามคนที่ประสบการณเยอะๆหน่อยนะประสบการณเยอะในขณะเดียวกันก็ต้องคนคว้าพระต่ายวิดกมากด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ประสบการณ์เยอะจริงแต่ว่าก็บางทีก็ไม่ได้อะไรนะก็ตาบอดไปเที่ยวมาเยอะอย่งนไมได้ประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่ได้อะได้ประโยชน์ไหมตาไม่ค่อยดีตามองอะไรก็ไม่ชัดเนี่ยนะหรืว่าไปดูมาทุกแห่งแล้วอย่างไงนะก็อย่างว่าก็ไม่ค่อยได้อะไรสักเท่าไหร่อยู่แล้วล่ะ ผลสรุปว่าสัมมณะสิประเภทเนี่ยนะไม่มีนอกจากในธรรมวินัยนี้แต่ก็จริงนะถ้าไม่เป็นไปตามแนวพระต่าวิ d o เนี่ไม่เป็ น, ป น, ปนไปไม่ได้อยู่แล้ที่จะเป็นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสัมมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ไม่มีสรุปถ้านอกจากคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยนะและที่อื่นว่างจากสั ม, มณะผู้รู้สุภาาัฏะเพิกศูนเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบโลกจะไม่พึงว่างจากผาา้าละหันถ้าปฏิบัติตาม ม, มารยาทจริงจรนะิงนโลกไม่ว่างจากผาา้าละหัน์ ท่านสุภธ า, าก็บอกว่าเจ็บแจ้งนะก็เลยขอบวชเมื่อขอบวชนี้ท่านก็ปฏิบัติคืนนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยเก่งจริง ๆ, ๆเลยนะถือว่าเป็นสักขิสาวกเหมงอนนเป็นสาวกองสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บรรลุเป็นพระอรหันต์ตอนมีพระชนอยู่ถือว่าท่านสุดท้ายเนี่ยนะจริงๆท่านก็คือใครรู้มก่อนอดีตชาติน้องของพระัญญากรทัญญานั่นแหละ คือพี่นี่ตอรีบทําบุญมากเลยแต่น้องเขาก็เฉยเฉยนะน้นนองเขาไม่รู้สึกว่าต้องรีบอะไรจริงๆก็คื อ, อพี่ค น, นโต่พี่ก็คือพระโกนธัญญาใช่ไหมโกนธัญญารู้แล้วเนอะเนี่ยนะว่าพี่นี่รีบทําบุญน่าดูเลยนะน้องก็เฉยเฉยเนี่ยโน้ทำบุญตอนสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยได้บรรลุตอนตอนสุดท้ายเหมือนกันเนี่ยนะเขาไม่ค่อยรีบอะไรเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกว่าต้องรีบอะไรนะเอาของใคร